บำเพแล้วควรใส่ใจควรเอามาใคร่ควรวนให้มากๆก็คือพวกกลุ่มสังเวกัตโทเกี่ยวกับเรื่องชราและมรณะเนี่ยนะโดยเฉพาะมรณะเนี่ยควรสนทนาเป็นพิเศษตอนที่เราเดินประทักศินที่พากล่าวว่ากล่าวที่อื่นๆเราจะสวดอิติปิโสใช่ไหมแต่ที่นี่เราจะกล่าวอนิจจาวัตสังขารา อุปาาัธวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวูปสมโมสุโคเป็นการกล่าวพระธรรม น, นะกล่าวธรรมคุณกล่าวพระธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสก่อนปรินิพานพระพุทธเจ้าตรัสมหาสุตทัศนสูตรจบพระองค์ก็ตรัสอนิจจาวัตสังขาราอุปาาัธวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังบุปสมโมสุโคแล้วหลังจากนั้นก็จึงให้พุทธโอวาท แล้วก็ดับขันปรินิพานนั้นคาถานี้พระ อ, องค์ตัดหลายครั้ง น, นะอ น, นิจจาวตัตถสังขาราแต่ก่อนปรินิพานพระ อ, องค์ก็ตัดด้วยซึ่งเป็นคาถาที่ประกาศอริยสัจเนี่ยเป็นคาถาที่ประกาศอริยสัจพระพุทธพจน์นี้ถ้าเราสังเกตให้ดีๆเนี่ยเป็นพุทธพจน์ที่ประกาศอริยสัจเกิดทั้งหมดเลยถึงพูดคําอื่นๆก็เป็นคําเวทล้อมบริวารเพื่อประกาศอริยสัจเพื่อเกื้อนหนุนในการแสดงอริยสัจนั่นเอง อย่างพระองค์ตรัสว่าอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเหมือนเราว่าข้าวของเครื่องใช้ที่ประดับตกแต่งเนี่ยนะอย่างอลังการที่เราประดับมาเป็นเครื่องพุทธบูชาร้อยลูกปัดมาประดับอย่างวิจิตพิสดารร้อยเพชรมาประดับอย่างวิจิตพิสดารถามว่าถ้าได้เหล่านั้นหลุดอะไรจะเกิดขึ้นได้นี่เปลื่อยเป็นไหมเป้นเมื่อได้เปื่อยเป็นแล้วควรจะเป็นยังไงผ้าเหล่านั้นก่อกระจัดกระจายเรื่องอะไรเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อเรื่องไรกระจัดกระจายเป็นธรรมดาอย่างนี้เข้าสังขารทั้งหลายก็เหมือนกันสังขาร ท, ทั้งที่มีวิญญาณครองก็ลักษณะเดียวกันเพราะเป็นสิ่งที่ตันหามันร้อยขึ้นร่างกายของเรานะีตันหานี่ร้อยขึ้นเมื่อตันหาร้อยขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยมันก็ตัวตันหาเองเนี่ยก็ไม่เที่ยงวังงั้นอ่ะมันก็เป็นของผุพังเหมือนกันแต่มันร้อยไม่เลิอกอะ่ะมันร้อยไปเรื่อยมันก็เลยดูมันคงะนนั้นผลพวงที่ตันหาร้อยเอาไว้ในวตะมันก็ มีความแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดาสังขารทั้งหลายจึงมีความแตกทำลายเป็นธรรมดาสิ่งที่น่าสลดสังเวชคือสังขารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีสรีระตะดุดเพชรเนี่ยนะผู้ผู้มีผิวพันตะดุดทองคำผู้มีฉับพันรณดังสีเป็นแดนออกแห่งรัศมีเป็นแดนออกแห่งแสงสว่างถึงขนาดนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ เป็นสังเวชวัตถุจริงๆเนี่ยน ะ, น ะ, นะเป็นวัตถุที่ควรแก่การสังเวชเพราะโดยที่สุดแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทั้งหลายก็ไม่ได้เห็นแล้วเนี่ยนะไม่ได้เห็นแล้วมันสังขารทั้งหลายเป็นเช่นนี้แหละเนี่ยนะคือเป็นเช่นนี้จริงๆสังขารทั้งหลายที่ผู้ใดทําให้เ ป, เป็นเป็นอื่นไปเนี่ยทาได้ไหมการรักษาเพียงแต่ว่ายืดเวลาแตกทาลายลงเท่านั้นเอง เช่นภาชนะดินที่ปั้นมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะดูแลอย่างเยี่ยมก็คือดูแลว่าให้มันแตกทําลายช้าลงอย่างที่เราดูแลร่างกายเนี่ยคืออะไรนะผลัดให้มันตายช้าลงไปเท่านั้นเองแต่ไม่ได้แปลว่าห้ามตายห้ามแตกทําลายห้ามกระจายกระจายเรื่ายเพราะจริงๆเราไม่สามารถที่จะทําได้สังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้แหละเมื่อสังขารทั้งมวลที่ไม่เที่ยงอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วดับไป อุปชิตวาอุปัชิตวาเกิดขึ้นไอคําว่าเกิดขึ้นนี่หมายความว่าถ้าขันห้าสังขารทั้งหลายจะเกิดเพราะอะไรเกิดโดยสรุปเพราะอวิชชาเกิดสังขารเจิงเกินเพราะอะไรเกิดปัญหาเกิดกรรมเกิดอาหารเกิดผัสสะเกิดนามรูปเกิดสรุปแล้วนะสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นอวิชชาหนึ่งอวิชชา2อปัญหาสมกรรม4ี่ผัสสะหนามรูป อาหารว่าไปจ้ะอาหารด้วยนะหนึ่งเอาใหม่อวิชาสองปัญหาสามกรรมสี่อาหารห้าภาษาหกนามรูปนี่คือปัจจัยหลักของสังขารธรรมทั้งปวงดํารงได้อยู่ด้วยประการอย่างนี้แหลถ้าดับปัจจัยเหล่านี้แม้แต่ปัจจัยเดียวสังขารก็ดับหมดเลยเช่นรูปนะถ้าอาหารดับนะ้รูปประหารก็ดับเวทนาทั้งหลายถ้าหมดภาษะเวทนาก็ดับ จิตทั้งหลายถ้าหมดนามรูปจิตทั้งหลายก็ดับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารธรรมธรรมทั้งหลายเหล่านี้เกิดเพราะปัจจัยทําให้เกิดขึ้นถ้าปัจจัยวิบัติแปรปลี่นไปสังขารทั้งหลายก็พร้อมที่จะไม่เที่ยงพร้อมที่จะแตกทําลายไปพร้อมที่จะสูญไปเนี่ยผนมะยังแตะว่าอุปัทวยธรรมนิโนเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปอุปัทะหรืออุปัธวะเนี่ยอนะุปอุปัปธาเนะี่ยหมายถึง คำนี้เนี่ยให้รู้ว่าสัพิจจะสมุบาทแบบอะไรสมุทยาวาระวาระว่าด้วยการเกิดของสังขารเพราะวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารวิสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาเนี่ยกระบวนการเกิดมันก็เป็นไปตามนี่แหละอา่วาวยะธรรมนิโนเนี่ยนะวยะตัวนั้นแปลว่าเสื่อมเป็นธรรมที่มีความเสื่อมไปไหมายความว่าถ้าตัวมันเองก็วิปริณามลักษณะโดยธรรมชาติใช่ไหม วิปริณามลักษณะโดยธรรมชาติแต่ธรรมชาติที่มีวิปริณามลักษณะคือมีความแปรปรว่นเป็นธรรมดานั่นนะ่ะถ้าจะดับถาวลจริงๆก็ต้องดับที่ปัจจัยพราะจึงๆแปลว่าอุปัจชิ ต, ตวานิรุชันติเมื่อเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วสังขารเมื่อเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วนิรุชันติเนี่ยควรดับปัจจัยเป็นอย่างมากหรือการดับปัจใจเนี่ยนะถ้าดับปัจจัยที่ทําให้สังขารเกิดขึ้นเนี่ยเตสังอุปัสโมสุโข เป็นสุขอย่างแท้จริงอย่างเช่นสังขารของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ไม่เที่ยงอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าสังขารของพระองค์ไม่เที่ยงเลยเกิดขึ้นตามสมุทยาวาระใช่ไหมพระองค์ก็ยังอุทานว่าเมื่อสแสวงหานายช่างคือตันหาผู้สร้างเรือนไม่พบกระท่องที่ยวตายการเกิดเบาๆก็เป็นทุกข์ดูก่อนตันหานายช่างผู้สร้างเรือนแบบนี้เราพบท่านแล้วยว่อเรือนเราก็หักเสียแล้วคโครงเรือนเราก็รื้อทําลายเสียแล้ว จิตของเราถึงอสังขารธรรมอาาสังขตาธรรมหรือวิสังขารคือนิพพานแบบนี้ถึงความสิ้นตัณหาแล้วคือแทงตลอดอรหัตผลพระองค์ก็อุทานแม้แต่สังขารของพระองค์เนี่ยนะมีอวิชาตัณหากรรมเป็นปัจจัยสรีระเหล่านี้ที่ที่เป็นพุทธสรีระมีอวิชาตัณหากรรมเป็นปัจจัยบรรทัดดาบเหล่านั้นเนี่ยเมื่อดับอวิชาตัณหากรรมโดยเด็ดขาด พงษ์จึงไม่มีการปฏิสนธิขึ้นมาอีกเลยนจึงจึงดับได้โดยตะการทั้งปวงดับได้โดยสิ้นเชิงอั น, นันเพราะดับปัจจัยมันเมื่อเกิดขึ้นแล้วดับไปอุปชิตตะวานิรุตชันตินิรุธตัวนั้นเนี่ยไม่ใช่ดับธรรมดาแต่หมายถึงนิโรดดับด้วยนิโรดดับคือไม่ยอมให้ปัจจัยนี้เกิดขึ้นอีกเลย ดับโดยที่ไม่ยอมให้อวิชชาเกิดอีกดับโดยไม่ยอมให้ตัณหาเกิดอีกดับโดยที่ไม่ยอมให้กรรมเกิดอีกดับโดยไม่มีผสัสสะเนี่ยนะนิโรธชันติตัวนั้นในหมายถึงนิโรธสัจจ์เนี่ยนะถ้าแทงตลอดนิโรธสัจจ์ก็เป็นอันดับได้เตสังบุปสโมสุโคถ้าทําได้อย่างนี้เนี่ยสุขสุดยอดแล้วเนี่ยสุขจริงๆนะนะถ้าทําได้ดังกล่าวไปทั้นจากคาถานี้เราก็ เป็นแผนชาติแผ่นหนึ่งที่ที่เอาเป็นโครงสร้างในการเอาไว้ปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะถ้าใครจับข้อปฏิบัติอะไรยังไม่ค่อยได้นะเอาคาถานี้เป็นหลักในการปฏิบัติธรรมก็ก็น่าจะสําเร็จประโยชน์เพราะว่าคาถานี้ก็ประกาศอริยสัจใช่ไหมอา น, นิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอเป็นอริยสัจะทุกสัจปปชิตว า, ตวาอันนี้ก็สมุทัยสัจจะนิรุชันติก็นิโรสัจะ โดยโดยโลกิยาเนี่ยนะอุปชิตตวานิรุชันติก็คืออุปชิตตวานิรุชอ่ออาเพราะวอุปทวยธรรมมิโ น, โนเนี่ยอุปทว่อุปต่อหมายถึงว่าเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปอันนี้หมายถึงอุทยพยัญาณถ้าถ้ากล่าวตามลําดับยานเลยนะอันนี้จาวตสังขาราคือสัมมสัญญาณอุปถวยธรรมมิโนเนี่ยอุทยพยัญาณอุปชิตตวานิรุชันตินนก็คืออนุปัสนาจนถึงนิโรธบรรลุนิโรธนั่นแหละ ถ้าปฏิบัติตามนี้ได้สุขจริงๆเนี่ยนะถ้าเจริญตามนี้ได้ก็สุขจริงๆัน้นคาถานี้ก็มีผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจโดยที่ฟังคาถาโย่อย่อสั้นๆจริงๆแล้วหลักธรรมทั้งหมดเนี่ยนะการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบสุขุมลุ่มลึกความกวาม้างขวางเพียงใดก็ตามแล้วถูกประสงค์ก็เพื่อรู้แจ้งแทงตลอดธทำเหล่านี้นั่นเองเพื่อแทงตลอดอริยสัจทั้งหลายเหล่านี้นี่เองเนี่ยนะอันท่าหากว่าเรากําหนดทิศทางการศึกษาพระธรรมได้ ที่เหลือที่เราฟังก็คือฟังเป็นอลังการฟังเป็นเครื่องประดับฟังเป็นธรรมะที่เป็นบริการในการเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะซึ่งพระธรรมทั้งมวลเนี่ยทุกๆสูตรก็ล้วนแต่ชี้อริยสัจพันธาใครทรงจําสูตรใดสูตรหนึ่งเป็นหลักเอาไว้สักสูตรหนึ่งเนี่ยจริงๆก็เพียงพอแล้วที่จะปฏิบัติธรรมฟังอย่างอื่นก็เพื่ออะไรเพื่อประดับเพื่ อ, อไว้ประกอบเพื่ อ, อไว้อธิบายในในธรรมะเหล่านั้นๆ นะซึ่งเรามาที่นี่ก็ได้เห็นสังขารสังขารที่บำรุงมาเป็นอย่างดีสังขารระดับโลกุตระก็ยังแตกทันลายเช่นนี้ทันควรแล้วที่เราทั้งหลายจะได้วตควรที่จะสังเวท่นะควรที่จะสังเวทเพระองค์ก็เลยบอกว่านี่น ะ, ะสังเวชนิยสถานสีนน่ตบลเป็นที่ที่ผู้มีศรัทธาควรเที่ยวจาริกไป นไะควรเที่ยวจาริไปนะถ้าหากว่าเรามาแล้วได้ความสังเวชเหล่านี้ก็ถือว่าสมความประสงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์นี้ประสงค์ให้เราทั้งหลายมาเพื่อจะให้เห็นสังเวชให้เกิดความสังเวชสังเวชเป็นชื่อของปัญญาที่เกิดพร้อมกับโอตตะที่มีกําลังเนี่ยนะโอตต ะ, ตะนี่เกรงกลัวอย่างแรงกล้าและปัญญารู้ถึงสภาพมันเป็นแบบนั้นจริงๆเลยนะก็เลยเรียกว่าความสังเวชเกิดขึ้น นะทีนี้มีคําถามว่าทําไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรอนตรอนนะนะพูดแต่ภาษาไทยเร า, า ต, รตรอนตรอนเนี่ยมาปรินิพานที่กิ่งกิ่งเมืองเมืองเล็กเมืองน้อยนะกิ่งเมืองอ่ะกิ่งเมืองเขาบอกไม่ใช่เมืองแท้ๆนะเหมือนกับว่าเมืองหลวงก็มีอยู่แต่ทําไมมาปริณิพานในอําเภอะนะพราสมัยพุทธกาลแล้วนี่กุศินาราก็เล็กน้อยแบบทุกวันเนี่ย กุสินาราไม่ใหญ่อะไรพระองค์ก็บอกว่ า, าที่พระองค์มาตรีนิพพานที่เมืองกุสินาราเนี่ยด้วยเหตุผลหลายประการใช่ไหมประการที่หนึ่งเพื่อจะแสดงมหาสุทัศนะฉะสูตรมหาสุทัศนะฉะดกประการที่สองเพื่อสงเคราะห์สุขัฒน์ปริภาชกสาวะองค์สุดท้ายเนี่ยไงประการที่สมเพื่ออะไรเพื่อที่จะว่าจะได้ระงับการทะเลวิวาทได้ ถ้าปรินิพานน่าจะคึกนะพระเจ้าชาติสตรูมไม่แบ่งพระทานให้ใครแนะ่สงครามท่วมแนะ่ถ้าปรินิพานที่เมืองภัยาลีกษัตริย์ลิชวีก็ไม่ยอมเพราะฉันก็แนะ่ไม่แบ่งใครถ้าปรินิพานที่เมืองอแถวแถวแคว้นโกศลเนี่ยนะสงครามก็เกิดอีกเมืองจำปาหรือเมืองอุเชนีเมืองไหนเมืองหนึ่งที่ที่เป็นเมืองใ ห, ใหญ่เลยนะสงครามมาลายหมดแหะแต่ถ้าหากว่าปรินิพานที่นี่กษัตริย์กุสินาราเนี่ยไม่มีแรงเท่าไหร่ ในข้อหนึ่งข้อที่สองแถวเนี่ยแดนของถิ่นของโทนตะพราบโทนตพราบนี้เขาเป็นพระท่านเป็นท่านาคามีนะโทนตพราบเนี่ยเป็นพระนนาคามีแล้วเนี่ยบรรดาพราหม์หรือกษัตริย์ผู้มีอำนาจลูกสิษยโทนตพราบทั้งหมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพอได้ยินตอนที่กษัตริย์เขาจะทะเลาะ ก, กันนะโทนตพราบพอขึ้นยืนพูดเอานี่เสียงอาจารย์เรานี่ ก็เลยหันไปดูอาจารย์บอกอ้ า, อาวแบ่งธาดแต่ส่วนนะก็เลยยอมกันเป็นใจอาจารย์โทนธรพรมบนี่เขามีอำนาจในการแบ่ง ท, ทาตเนี่นะพันธะหากว่าเราเข้าใจเหตุผลอย่างนี้จะรู้ว่าพระองค์เนี่เหน็ดเหนื่อยมากระหว่างจาริกเราวันนี้มาจากพาราณสีมาที่กุสินารามาด้วยความนับว่าสบายมากนี่นะ ตอนแรกนี้จริงๆก็ทางมันประสบอุบัติเหตุเขาก็เลยแวะมาก็เลยได้มาใช้ถนนครุกขาา ย, ยู่แป๊บเดียวเองที่เหลือก็สบายมาตลอดซึ่งก็นับว่ามีบุญมากถ้าเทียบกับพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เสด็จมาเมืองกุสินารา ม, มาด้วยความสภาพที่ต่วยไม่ยอมเข้าพระลาสมาบัติเป็นต้นถ้าเข้ามากจะไม่ได้ตรีนิพพานเพราะว่าได้ปลงมาอยสังขารแล้ว ปล o n มายุ่สังขารที่จะปรินิพานเพราะฉะนั้นระหว่างทางเหนื่อยหอบถ่ายออกมาเป็นเลือดถ่ายก็เป็นเลือดเรี่ยวแรงที่เคยเรียกว่าเท่ากับบุรุษเนี่ยเป็นแสนโกรคนเนเรี่ยวโรงเหล่านั้นหมดเลยไม่มีแรงแม้จะเดินหิวน้ำก็หิวกระหายเลยแหละกระหายน้ำมากๆแล้วทุกใช้คำว่าเราเหนื่อยอนโนนนะจงปูว่าเราจะนั่งพักเรานี่เหนื่อยเหมงนน คือคือคำคำเหล่านี้เนี่ยแทบไม่เคยได้ยินจากพระพุทธพจน์เลยเนะแต่ว่าพระ อ, องค์บอกโอ้พระ อ, องค์นี่เหนื่อยพลียอะไรเนี่ยซึ่งทำไมพระ อ, องค์จึงสู้อดทนขนาดนั้นแต่ที่ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยนยะคุณกันตาจะถามอะไรก่อนไหมกลับมาสการถามพระอาจารย์ค่ะเมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่าโทณพรามณ์ท่านเป็นพระนาคามีศีนท่านก็น่าจะสมบูรณ์แล้วทําไมท่านขโมยพระเครื่องแก้วใส่ไว้ในมวยผมล่ะคะ เอาเอ า, เ, อ า, เ, อาเขาอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าขโมยหรอกกิริยาการอย่างนี้นะแต่โวหารว่าขโมยแต่ก็ไม่เรียกว่าขโมยเพราะถามว่าพระธาตจริงๆอะ่ะคือของใครอ่ะก็ท่านก็ชื่อว่าท่านก็มีส่วนด้วยแต่ทีนี้การที่ท่านจะบอกคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาจะอนุญาตไหมล่ะคือทําไมท่านต้องปรึกษาคนอื่นเหมือนกันเถอะจาเป็นอะไรที่จะต้องไปปรึกษาคนอื่นว่าขอแบ่งไว้หน่อยไ ม, ไม่จําเป็นอะไรเดีเออ เขาสกาเป็นพระโสดาบันมาเอาไปไม่เสียมารยาทหรือครับือเอาของพระนาคามีไปคือก็ดูว่าผู้ใดสามารถจะดูแลรักษาสิ่งนั้นได้ได้เหมาะสมสมควรที่สุดที่ควรจะเป็นเนี่ยนะนะเหมือนอย่างว่าเครื่องเครื่องสการะบูอย่างพระแก้วมรกตอ่ะสมมตินะถ้าเป็นประเทศไทยเราเนี่ย ถ้าแก้วมรกตเอามาไว้วัดเก่าๆวัดนึงอะ่ะที่มีพระภิกสุตอยู่กับกษัตริย์เอาไปสร้างไว้ในกลางเมืองหลวงอันไหนจะดีกันก็ไว้กลางเมืองหลวงดีกว่าเพราะว่าฉั้นใดก็ดีถ้าทรนธรรมมาเอามาเามานี่ยเอามาไว้ที่ไหนก็ได้ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าวางไว้ที่ดาวกระดึงะ่ง่ะเทวดาเท่าไหร่ที่เข้ามาเฝ้าเข้ามากราบเข้ามาไหว้เข้ามาบูชาอย่างไหนจะสําเร็จประโยชน์กว่ากัน ทีนี้ถ้ามองในแง่ว่าองตัวโทธพรามเองก็ไม่น่าเป็นห่วงศักเท่าไหร่เพราะท่านเป็นพระอนาคามีอยู่แล้วท่านยังไงท่านก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้อยู่แล้วท่านก็ไปสู่พรหมโลกได้อยู่แล้วแต่บุคคลอื่นล่ะที่เขายังต้องกราบต้องไหว้ที่สร้างสมบุญเพื่อเพื่อความพ้นทุกเนี่ยนะทั้นถ้ามองโดยเหตุผลโดยรวมแล้วเท่าสักกะเอาไปนี้ก็ชื่อว่าชอบธทำเนี่ยนะเพราะว่าจะได้จะได้ดีกว่าเอาไปไว้ในในที่ที่สมควรที่จะประดิสฐาน พระเคี่ยวแก้วของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเดี๋ยวขอขามาเทา้าสกกะก่อนว่าเสียมารยาทขอขําอาโิโษช่วยครับทีนี้พูดถึงเหตุผลแรกเลยนะที่ว่าพระองค์ เ, เสด็จมาที่ปรินิพานที่เมือง กุศินาราเนี่ยเพราะพระ อ, องค์ต้องการจะแสดงมหาสุทัศนสูตรหรือมหาสุทัศนชาดกนเนี่ยนะกล่าวถึงว่าสมบัติที่เคยมีในตางกองที่ที่พระ อ, องค์เคยได้เคยเสวยเนี่ยนะที่พระ อ, องค์ได้เคยเสวยซึ่งอย่างฟังคร่าวๆโดยเนื้อหาโดยสรุปว่าพระเจ้ามหาสุทัศนเนี่ยปกครองแผ่นดินมีมหาสมด์เป็นขอบเขต น, นะถามว่าแผ่นดินของพระ อ, องค์เท่าไหร่บอกว่าน่น อยู่ทะเลขอบทะเลน่นาะ น, นะมีทะเลเป็นปรมาณเมืองกุสินาราในอดีตนี้มีชื่อว่าเมืองกุสาวดีราชธานีเขาบอกว่าเป็นเมืองที่ยาวเนี่ยสิบสองโความยาวนะสิบสองโยศสิบสองคูณสิบหกเท่ากับเท่าไหร่สิบสองคูณสิบหกอ่ะน ะ, ะร้อยกว่ากิโลเนี่ยนะ แล้วก็อันนี้ด้านยาวนะด้านกว้างเจ็ดโยธเจ็ดคูณสิบหกเอกร้อยสิบกิโลก็คิดดูนั่นแหละคือตารางเมืองอ น, น, นรัศมีโอ้โหเป็นเป็นร้อยกิโลนะเป็นหลายร้อยตารางกิโลเมตรเลยคือคือพื้นฐานเนี่ยเมืองนี่ใหญ่เท่านั้นเป็นเมืองที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เหมือนเมืองทเทวดาแล้วก็เป็นเมืองที่มีกําแพงล้อมรอบเป็นกําแพงเจ็ดชั้น คือกำแพงอะไรกำแพงทองคำกำแพงเงินกำแพงทองกำแพงไพฑูนกำแพงแก้วผลึกกำแพงทับทิมกำแพงบุตรสาคคำแล้วก็กำแพงที่รวมด้วยแก้วสารพัดชนิดแล้วก็เป็นเมืองที่มีประตูมีแถวต้นตาลก็มีแต่แถวตาลเงินตาลทองเป็นต้นตาลแต่ละต้นนี่มีเสียงไพเราะเหมือนกับอะไรเหมือนเสียงดนตรีของนักเลน น, นักดนตรีผู้ชนานาญ แล้วเป็นเมืองพระราชาเนี่ยมีทรงมีแก้วเจ็ดอย่างแก้วเจ็ดอย่างก็คือหนึ่งมีจักแก้วจักแก้วอันเป็นทิพย์เนยนะสองมีนะนะรู้ปหานางแก้วเลยนะนะมีช้างแก้วมีม้าแก้วมีแก้วมณีมีนางแก้วมีครืหาบดีแก้วมีปรินายกแก้วก็มีกรัตนหะนี่แปลว่าแก้ว อันะหนึ่งจักรรัตนะสองมะช้างรัตนะสามมารัตนะสมณีรัตนะเมื่อมีมณีก็ต้องมีนางผู้ดูแลแก้วมณีอีกหนึ่งอนะก็เลยเรียกว่านางอิฐีรัตนะแล้วก็มีผู้ดูแลรั์เป็นคฤาษาบดีแล้วก็ผู้ดูแลประเทศคือปรินายกเนี่ยนะปรินายกก็เลยมีรัตนะเจ็แล้วก็มีความพิเศษในตัวมีพริตสีประการ พระฤทธิ์พิเศษคือหนึ่งรูปงามที่สุดคนหล่อที่สุดเหมือสองอายุยืนที่สุดในยุคนั้นนะ้สามสุขภาพดีเยี่ยมข้อสี่เป็นที่ชอบใจของของพราหมณ์และครือขบาีทั้งหลายอันนะคนใหญ่คนโตรักเหมือนนะเป็นคนที่ที่บุคคลพักดีให้อย่างจริงๆทีนี้พระเจ้าสุทัศนะนี่อยากจะสร้างสาระน้ำ สะโบกกรณีนี่ห่างกันร้อยชั่วธนูร้อชั่วธนูก็กี่กิโลเมตรธนูหนึ่งสองเมตรเนี่ยนะก็ห่างกันสองร้อยเมตรชั่วธนูชั่วตัวธนูนะไม่ใช่ยิงธนูนะขันธนูมันก็มีการสร้างสระโบกกรณีก็ทุกอย่างได้ทาด้วยอิดด้วยแก้วด้วยแหวนด้วยเงินด้วยทองทั้งนั้นนละแล้วก็ปลูกดอกไม้ปลูกดอกบัวเป็นต้นเนี่ยเนละ แล้วก็ตอนหลังท่านก็อยากสร้างปราสาทพระเจ้าเท้าวศักดิก็มาสร้างปราสาทให้เชื่อว่าธรรมะปราสาทเ น, นะก็สร้างปราสาทปราสาทนี่ก็บริบูรณ์ด้วยข้าวของทุกอย่างเหมืนปราสาทแต่ละอย่างก็ไปอ่านเอาเองนะหูความวิจิตรพิสดารใช้ทองคำมันนะเป็นหลักแล้วก็สร้างป่าตาเนกป่าทานทองคําเป็นต้นเนี่ยนะสร้างป่าตานเป็นปหูเป็นบ้านเมืองที่เรียกว่า เมืองธรรมปร า, าสาทของพระเจ้าสุดทัศนะนี่ยนะดูตรงตรงไม่ได้มันมันอะไรแสงมันสะท้อนตา ม, มากเพราะมาว่าสีมันสวยวิจิตรจนดูไม่ได้มันจะดีตรงไหนยังนึกไม่ออกเลยนะต้องใส่แว่นก็ไม่ทราบมิใช่ต้องใช้แว่นตานะจะได้สะท้อนหน้อยๆหน่อยใส่แว่นกันแดดเอาไว้นะอย่างนี้หเปล่าทีนี้ตอนหลังพระเจ้าสุดทัศนะนี่เจริญพรหมมิหารได้อะนะอยู่ในวังบ้านเมืองร่ำรวยขนาดนั้นนะ ลีกเกรนเนี่ยเจริญพรหมวิหารได้ฌานอ่ะแล้วได้ทั้งรูปรนะรประฌานและรูปฌานด้วยนะได้สมาบัติด้วยอยู่ในวังขนาดนั้นได้ฌานเนี่ยนะคือตอนที่ก่อนที่ท่านจะมาเจริญฌานเนี่ยท่านมาหัวลำลึกถึงว่าท่านทําบุญอะไรมาท่านจึงได้สมบัติมากมายขนาดนี้นี่ก็เลยบอกว่าเป็นผลของกรรมอะไรเนาะนะเป็นเหตุให้เรามีฤทธิ์อย่างนี้มีอนุภาพอย่างนี้ เขบอกว่าเป็นผลของกรรมของเราสามอย่างกรรมสามอย่างที่ทําให้มีฤทธิ์มากคืออะไรหนึ่งทานสองธรรมะความอดทนเนี่ยนะแล้วก็สัญญมะการสํารวมินทรีย์สัญญมะก็อาศัยทานธรรมะสัญญมะ ส, สามอย่างนี่แหละทํำเป็นเหตุก็หวนรละลึกถึงบุญนะ่ยนะก็ในห้องเราเนี่ยมีในห้องน้ำเมื่หลานเคยเล่าให้ฟังแล้วก็ยืมหน่อยเขาเล่า ว, ว่าตอนที่ไปไปเที่ยวที่อเมริกาอย่างมีความสุขมากอ่ะ น, นะ ทุกอย่างเหมือนสวรรค์ลเลยเพอคิดถึงคําว่าสวรรค์นี่ตกใจเลยว่าตกใจมาไงบอกโอ้นี่เป็นบุญเก่านี่อะก็หวนระลึกถึงว่าที่ได้บริโภคอย่างสบายนี่ก็เพราะผลของบุญเก่าก็เลยอยากจะรักษาทรัพย์เหล่านี้เอาไว้ก็เลยมาเรียนธรรมะเ น, นี่ยนะตอนแรกเรียนธรรมะเพราะรักษาอยากรักษาผลบุญเอาไว้ตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วบอกว่าเ like, ราจะออกจากวาตาแล้วเดี๋ยวหลงในวาตาว่างั้นแต่ว่าบางคนเนี่ย ได้สวยบริบูรณ์ทุกอย่างแล้วจึงหวลกลับมาหาต้นต้นเหตุใช่ไหมว่าเหตุเหล่านี้ได้มาอย่างไรแต่ก็จริงนะถ้าถ้าคิดแบบคุณหลนะานพอมาตอนหลังไม่แปลกใจว่าทําไมคุณหลานจึงมีความสุขอย่างที่กล่าวไปเนี่ยนะเพราะอะไรอย่างเนี้ก็จัดให้เราทั้งหลายได้สวยสุขกันเนี่ยนะก็ให้ความสุขเป็นฐานเป็นต้นเนี่ยนะก็เลยเป็นผู้มีส่วนแห่งความสุขใช่ไหมเขาบอกว่าผลของกรรมเนี่ยมันส่องถึงเหตุด้วยเหมือนกันไหใครสวยวิบากยังไงแล้วไปดูต้นเหตุที่เขาทำเนี่ยมันจะเห็น แล้วคนนั้นอ่ะจะมีอัธยาศัยทําคล้ายๆกับเหตุทําคล้ายๆกับผลชอบทําเหตุใหม่ๆที่จะคล้ายๆกับผลที่ที่เขาได้รับอยู่ส่วนใหญ่นะคนจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างสังเกตจากฝ่ายชั่วก็เหมือนกันอย่างเด็กบางคนนะเกิดมานี่เขาถูกประทุดสารายตลอดถ้าดูให้ดีๆแล้วนิสัยของเด็กคนนี้ก็มีนิสัยแบบชอบประทุดสารายผู้อื่นเหมือนกันจริงๆถ้ามีโอกาสนะเด็กคนนี้จะชอบประทุดสารายผู้อื่น แล้วก็เห็นชัดเลยอ๋อมันสมควรแล้วละ่ะเนี่ยนะถา้าถ้ามองให้ดีๆนะนี้ไม่ฝ่ายบาปเป็นอย่างนั้นฝ่ายบุญก็ลักษณะเดียวกันนั้นใครที่สเสวยวิบากเหตุที่ดีนะแล้วคนเหล่านั้นก็ชอบทําเหตุประเภทนั้นด้วยเนี่ยนะชอบทําเหตุเหล่านั้นด้วยทั้นจึงสมควรแล้วว่างนะั้นน่ะสมควรแก่แก่เหตุผลน่ยนะยุติอันได้เป็นอันยุติได้ว่างนะั้นน่ะสมควรแก่เหตุแก่ผลแล้วว่างนะั้นทีนี้พระเจ้าสุท ธ, ธัทนะเนี่ยผู้บริบูรณ์ด้วย วัตถุกรรมเพียรพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างสมความตาถนาทั้งหมดเนี่ยนะท่านก็เลยมาคิดถึงกรรมมาทึกถึงต้นเหตุตอนหลังก็เลยเป่งวาจาว่าหยุดกรามวิตกหยุดพยาบาทวิตกหยุดวิหิงสาวิตก น, นะนะสั่งหยุดเลยนะบอกพอแล้วเลิกคิดละเรื่องตามเลิกคิดละเรื่องพยาบาทเลิกคิดละเรื่องเบียดเบียนเท่านี้พอละกรมมิวิตก เท่านี้พอละพยาบาทวิตกเท่านี้พอละวิหิงสาวิตกเนี่ยนะของเราน่าจะฝึกฝึกอุทานแบบพระเจ้ามหาสุทัศนาบางมันฟุ้งปั๊บบอกพอกันทีพอกันทีจอเลิกได้แล้วเลิกคิดเรื่องนี้ได้แล้วพอพอพออนันน้เจมส์หัวจไปฝึกลองดูนะ มันฟุ้งว้าก็เอาเหมือนกันนะบอกพอมันคิดฟุ้งกะไอเป็นเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องนะเรื่องที่มัเกี่ยวกับอริยสัจอะไรบอกพอแล้วเรื่องนี้พอเนี่ยนะมาคิดอริยสัจต่อพอไปเรื่องมาอีกบอกเรื่องนี้ก็พอแล้วมันใช้ความคิดเรื่องนี้เปลืองไปหน่อยแล้วนะเนี่ยก็ลักษณะฝึกคิดแบบนี้นะเขาบอหยุดกันทีพอกันทีบางทีต้องเปลืงวาจาออกมาเหมือนกันนะบอกว่าพอแล้วนะเรื่องนี้พอแล้วพอแล้วไม่ต้องคิดแล้วอย่างเช่นคิดถึงเรื่องบางคนเนี่ยนะ ทั้งที่คิดไม่รู้คิดอะมาทําอะไรเนี่ยนะบอกว่าเรื่องนี้พอแล้วมันต้องคิดแล้วพอแล้วนะบอกตัวเองบ่อยๆนะเพืดต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก่อนนะเขาพูด น, นั่เดี๋ยวเขาจะว่าเอ้นี่สุขภาพจิตดูหรือเปล่าเนี่ยนะต้องปรึกษาจิตแพทย์หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีๆต้องอุทาให้มันถูกกาลเวลาวันี้ถ้าอุทาผิดเวลาเดี๋ยวจะลําบากเนี่ยนะ อุทานแบบปานาสาธย า, ายนพระธรรมลู ก, กยังสงสัยเลยคิดดูนะถ้าอย่อางอาือ่นได้ขนาดไหนเนี่ยนะพระนก็บอกว่าพอแล้วอกุศลวิตกทั้งหลายเนี่ยหลังจากนั้นพระเจ้าสุทัศนะก็ะบรรลุฌานที่หนึ่งนะเจริญฌานที่หนึ่งคนที่ตัดอกุศลวิตกได้ก็ได้ฌานไะด้เพราะวิตกเนี่นะที่ที่ตัดอกุศลวิตตกได้ก็มาเจริญเนคขมมะวิตกใช่ไหมเนคะนะขมมะวิตตกปรถมฌานประกอบด้วยอะไร วิตกวิจารณ์ปีติสุขที่เกิดจากวิเวกเนี่ยนะท่านท่านก็ได้ฌานที่1นะแล้วก็ได้ฌานที่1ก็เห็นโทษของวิตกวิจาร์ก็เข้าฌานที่2อแล้วเห็นโทษของปีติก็เข้าฌานที่3าเห็นโทษของสุขก็เข้าฌานที่4นะหลังจากนั้นท่านก็เจริญพรหมิหารได้ฌานเพราะท่านสามารถทําฌานได้ยังไงบอกว่ากสินเนี่ยฝาคําแปรเนี่ยท่านเข้าฌานได้เลยนะเพราะท่านสั่งสมอุปนิสัยในการเจริญกสินมาเพราะเหตุการณ์ที่กล่าวเนี่ยนะ เมืองกูสาวดีราจธานีนี่เรื่องอยู่ในกัปนี้แต่สมัยมนุษย์อายุเป็นหมื่นปีเนี่ยนะปังก็เจริญเมตตาพระเจ้ามหาสุทัศนะนี่จริงๆแล้วปกครองนครเนี่ยเป็นใหญ่ในนครแปดหมื่นสี่พันนครเนี่ยนะถ้าสมัยนี้นครก็คือจังหวัดะนะเทียบเท่ากับจังหวัดนะ น, นก็ดูแลอยู่แปดหมื่นสี่พันจังหวัดมีปร า, า, 8, 000, าปรสาทแปดหมื่นสี่พันองค์ มีเรือนยอด8ปด0 0สี่พันหลังมีบลัง8ปด0 0สี่พันที่นะมีช้าง8ปด0 0สี่พันเชือกมีม้า8ปด0 0สี่พันตัวมีรถ8ปด0 0สี่พคันมีเมฆแก้วมณีอยู่8ปด0 0สี่พันดวงมีสตรีบำเร อ, อยู่8ปด0 0นสี่พันนางมีเครือาบาดีเศรษฐีก็คอยดูแลเนี่ยนะ8ปด0 0สี่พคนมี ก, กษัตริย์ผู้สวามิภักดิ์ แ4 0 0มื่นสี่พันองมีแม่โคนมที่หลังน้ำนมเป็นชั้นดีเลยเนี่ยแปดหมืนสี่พันตัวมีผ้าแ4ด0มืนสี่พันโกรธพัคือสิบสองผืนเรียกว่าหนึ่งโกรธพับะนะีก็มีผ้าอยู่ประมาณแ4ดหมืี่พันโกรธพับอย่าลืมนะสิสองผืนเรียกว่าหนึ่งโกรธพับนนะมีพระตยาหารเต็มภาชนะแปดหมื่นสำรับจะทานได้สักเท่าไหร่นะทีนี้พรองก็ ตอนหลังเนี่ยนะก็ไม่ยอมให้ใครเข้ามาเฝ้าง่ายๆก็ขออยู่เงียบๆเพราะฉะนั้นทุกเมื่อก่อนเนี่ยบอกว่าช้างแปดหมื่นสี่พันเชือกมาเข้าเฝ้าพร ะ, พระเจ้าสุดทัศนะเนี่ยชเช้าเย็นคือจะต้องมีการจัดกองทัพเนี่ยเข้ามาอะไรนะกล่าวสัตย์ปฏิญาณจะขอเสื่อสัตว์ต่อพระองค์ในเช้าเย็นนั่นนะตอนหลังพระเจ้าสุดทัศนะก็บอกว่าร้อปีครั้งก็พอไม่ต้องชเช้าเย็นนะร้อยปีหนึ่งครั้งค่อยมารายงานในความสวามีพักเนี่ยนะ ตอนหลังก็เหตุการณ์ผ่านไปบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยนะท่านางสุพัทธาล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีเนี่ยนะคือพระเจ้าสุทัศนะไม่มาคุยกับมเหสีเนี่ยเป็นพันปีมเหสีนี่เดือดร้อนเนี่ยนะทำใจไม่ได้แล้วก็เลยจะเข้าไปเฝ้าพอจะเข้าไปเฝ้าก็สั่งให้จัดกองทัพเนี่ยนะให้จัดกองทัพเพื่อจะได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าสุทสัศนะพระเจ้าสุทัศนานี่ พอได้ยินเสียงเพราะพอเวลาทหารมาเป็นกองทัพกองทัพเนี่ยนะเสียงก็สนั่นไปหมดใช่ไหมก็เลยก็คิดว่าเออเสียงเหมือนเสียงคนจํานวนมากก็เลยไปยืนที่หน้าประตูนะมองเห็นพระเทวีมาเลยก็บอกว่าทวีเธอจงหยุดอยู่ตรงนั้นอย่าเข้ามาบอกว่าอยู่ตรงนั้นเละถ้าเป็นเรานี่จะน้อยใจไหมคุณกาตาน้อยใจไหมน้อยใจแย่เลยนะโอ้โอไม่ได้เจอตั้งพันปีแล้วนะนะพอมาปั๊บเลยบอกเธอหยุดอยู่ตรงนั้นแหละม่นออกมาแล้วอย่างนี้น การเกตทําใจได้หรือเปล่าไม่ทราบกลับบ้านเนี่หมอหมอตอนน้องหมออยู่ตรงนั้นน่เนี่ใจไม่ได้แน่นียทีนี้คือที่บอกให้หยุดอยู่ตรงนั้นเนี่ยพระเจ้าสุดพัศนะเนี่ยต้องการไปที่โล่งๆไม่ต้องการมาอยู่ที่ห้อง เ, เงียบๆสองคนกับมเหศีเนี่ยนะ เ, เดี๋ยวจัดที่ให้เราโน่นอยู่กลางแจ้งก็แล้วกันเหมือนกันตอนนั้นเนี่ย